พระธรรมเทศนาจาด่งเรื่องดางดวนคำผูกสิบสี่เรียบยงใหม่จากต้นฉบับเดิมเมืองเจียงตุงโดยปออินสมชัยชมพูป ร, รียธรรมพกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเจียงายนะโมตัสสะภะกาวะโตอะราหะโตสมมาสัมพุทธัสสะ อาทาคตสวาโรเจทาภาตารังโอปาสังกามิตวาติสาทะโวดุราสปุริตาตั้งหลทั้งยิงใจหนุ่มเทาอันมาหนังเฝ้าฟังธรรมจุงดาจำติดตตามบาทข้อบานิ ว่าอาทาโตาซาวาราดังนี้เป็นตนบรรัเดนี้แด่เตออาธาในกาลนันเล่านอพระเจ้าตาซาวาราก็เข้าไปหาปีไทยย่อมือไว้ไขจ้า ว่าข้าแด่ผ้าตาปีเจ้าคากุดเหล่าเมือนฟันได้เล็งหันยังปีบ่อจ้งที่สังกาสันได้จามากัยจุวยน้องได้เร็ยวไว้เจ้าห่อใจปีเก้ากอตาเล่าไข่กัมฮือเจ้าบุญนำผู้น้องหูแจ้งส่งจูพักกั แล้วจะวานต้านต่อว่าตนน้องนอใส่ใจได้จะใครแต่เก้าว่าจักต้องเต้าเตีวเมืองหือหายเคืองหมดไหมเออหือไขติสาสันได้จะน้องลาลงเข้าป่าดงวางป้ายัางนางกินกูเข้ามาสู่เวียงใจ เฮือภัยไต้น้อยใหญ่ร้อนไม่ไข่ปาราจุงไข่จ้าบอกปีฮือแจ้งที่จูพักกันหนโปทีย้อนยอดซอยก่อตอบถอยจากครฮือใสใจปีไทยหูแจ้งไข่าาตามมีก็บมีฮันไตนะ่ละ ในกาละนันใส่เต้าหยดใหญ่สุราเมฆก็มีอาจยาปงขาดอามาเตรียมใจรีเป็วไว้ไปสู่ยังที่อยู่โยธาอันยกมาจากของพระเตต้องเบื้องตนเป็นรีป้นหมู่ใหญ่อันจอดไว้เดนไกเฮือมาไว้อย่าจา้า พร้อมทวนนาบัดเดียวอามาตเรีวดวนเฮาเนี่ยตามอาตยาเต้าจูภาการส่วนนอปธที่ยันยอดซอยคือเจ้านัดน้อยตาสะวรารันโยธาพี่แกวมาพร้อมแล้วจูคนคนก็ราธนาตนพี่เจ้าตั้งอามาดเก้าตัางตาและโยธาม้วนหมู เอาไปสู่เวียงใจจุมคนไหนไผยไตหายหมนไม่มองผ่านมีใจบ้านกินจ้อยมาเป็นท้อยเป็นสายจุกยืนย้ายตีไก่หนต่งตางไตไผ่พันเขาป้ากันหอร้องแก่งผ้าซองผู้จา้าว่าเมืองเราราบบ่รัง ย้อนเจ้าจ้างเคยเมืองตเตะจะเรื่องยศใหญ่ภาพเสียงไข่ไข่บ้านมีสมป้านมากว้างไผบ่ออางเตรียมตันเขาปะกันจืนยาวหอรองอเศร้าเดืองนั้นกันภายพันไปรอดถึงตี้จอดทอคำรอคุณทาหนุมน่มเน่าก่อป้าปีเจ้าบุญนา และคุณต่างตาผู้ชาลาดขึ้นภาษาหอคำย่อมือตั้มต่างเกาไวเต้าเจ้าวิเตหราาและอทุนสาบอกเล่าให้แกเต้าเจ้าจูพาการเกาะมีหันเลนานะ เมื่อนั้นผาญยาวิเตหาราชฟังโอกาสทุนสาแห่งนอพุทธานุ่มเน่าหายมนเศร้ามองผานี่ใจบานจมเจินปีติตื่นนำนากาเข้ามาตีไกจอกอดเจ้าไว้เจยจม ปั่นดังนางอูดมแบนฟ้าคือนางนอลานวนคำก่อมาอยู่จำตีไกนบข้าไว้ผัวขันแล้ว เ, เรียวปัน่นกมเก่าไว้เต่าเจ้าสุรเมฆไข่กำจ่าต่อถอยด้วยกำอ่อนอ้อยวันใหญ่ กันนางไข่กำปากกันถ้าหากหอมนวลดังอยู่ในสวนดอกไม้หอมทะลบไฟหอคำ <c oughs> โยธานำนมเทาแห่งเต้าเจ้าสุระเมฆเขาใดยินมาแต่ก่อนวานางน้อยอ่อนนวลคำ ย่มไข่กำออกปากกันถ้าหากขอมไก่สราบหัวใจจูผู้มักไข่อยู่ไปนานมีใจบ้านได้หลากบอกไข่จากถอยหนจุ่มรีปนน้อยใหญ่กันเขาได้เล้งหันยังสีสุพันต่อนามีใจปันบาเววา ต่างสันตาพอเงือตาพอเลอและจันก็มีหันแลยนะส่วนเจ้าหอใจวีเตหราชกับนางนาจาญาสุราเมฆาปีเก้าและน้องเจ้าบุญดำต่างไข่กัมต่อท้อย มีบ่อน้อยนานาทันั้นพญ า, าวิเตหาราชป่อนนางนาฏมวนค ำ, คคำก่อไขรกำบบก่าวเอแก่เต้าสุระเมฆาตั้งโยธามวลหมูยังจอดอยู่นานไปว่าขออดใจอยู่ธาจากอภิเศกลูกลาเคยเมือง้อรุงเรืองยศใหญ่ เื่อภัยไตยบ้บานใจเจ้าหอดใจสุรเมฆราตังอามาตยุทาก่รอราอยู่ท่าตามคำเจ้าฝ่าวิเตหราชก็มีหันแลยนะ ทันเจ็ดวันบ่าควายตนเต่าไทายวิเตหราากของอุตสาภิเศกอติเรกทุนขวัญยกนอคุณทันหนุมนมานเฮือเป็นเจ้าภาพปาระายกราชิดายอดซอยเป็นกู้หอยมาเหซีตามพระเพนีแต่ก่อนบ่อผ่อนอันใด เผือกือคนใดไผ่ไตาหายมนไม่บองขีแล้วเกากำดีปันโจกตามหนโลกเดิมอ่อนว่างอสองผู้ทอนลูกเต้าได้โย่เตียงเต้าตีข้าเคาะนานาตัวรารจุงรีบย้ายดีไกโรกกะไผ่พญนาต ย, ยามภาปาดสันดาน โอนใจหานถอยไรยามาไกรวีจุงอยู่ดีเตียงมันย่าดวนสันมารน า, าเปหือสองขาพ่อแม่ตั้งเท่าแก่ตานานไัยใต้ไหลหนุ่มเท่าได้สุขย่อนเจ้าบุญมีแด่เตอ หากนั่นพรามณอาจารย์ภูชาลาตั้งนักผาดปะโรคหิตาและโยธานยศใหญ่ตั้งเข้ามาไว้ถวายปอนแกสองผู้ทนเจึงเจ้าตามรีดเก่าโบราณตามโัวหันแต่ไทยตามขึ้นออกไกลไฟมันก็มีหั น, นเลยนะา กันอุตจาพิเศษอติเรกทุนควันแห่งนอคุณทั้นน่องแก้วเมีนยนไข่แล้วบัวระมวลกาละกวนวารอเต้าเจ้าหยอดสุรเมฆก่อทุนสาโอกาสละเตา ว, วิเตหาราชภูมิ ลาเจ้าปุรีน้องไทยแล้วนำไผ่ไตโยธ า, าบีนำนามวนหมู่ปอกขึ้นสู่เมืองตนอันอยู่หนแห่งห้องผ้าเตต้องปันธุมตินากรเกาะมีฮันแหลนา ต่อปัาญาทัดแต่นั่นไปไปนาตนเจ้าฟาตาสะวารันบุญป่าจักจ่องได้นั่งห้องหอคำก็บอวางตาละขาดยังโบรานราชป่วาวเวนีวัดกองดีแต่ก่อนบ่ฮือพันสูญหาย ย่อมคงควายก่อสร้างเฮือสืบกว้างยาวไปกองวัดใดแฝกเบานักผ่าเจ้านิ้นตากันพิจารณาทวนทีบ่แม่นตีตามทำก่อวางตําละไว้บ่อขืดไข่ทำหาบ่อหิงสาไฟน้อยหฮือต่ำก้อยมองขี ตาสารรมีสิบสิ่งปฏิบัติหญิงโจภกาลคือได้หือตันเขานำวัตถุพัมปัจจัยพื้นขั่วใบแผ่นผ้าแก่คนกำพ้าอนาถาคนจาระแก่เท่าและนักบวชเจ้าสมณพราหมณ์ผู้มีศีลงามสะอาดบอละขาดกองทม เจ้าหอคำยศใหญ่ย่อมซอนภัยใต้พระเจ้าตั้งโยธามวนหมู่ือตั้งอยู่ตั้งดีอต้ตนนี้จากบาปอันหึกหยาบตารนอันจากน้ำตนไปเกิดในกำเนิดอาบายคนยิงใจตัวดาวตามกำเต้าสอนปัน เอาปะกันมวนโมตั้งตนโยตามทาเว้นจากกรรมหึกหยาบันเป็นบาปนานาคงปราชใหญ่กว้ า, วางแห่งเจ้าจัางนอมุนีจำเรินดีบงังเต้าคนหนุน่มเทา ย, ายิาย่งใจไพ่ไต้ลายน้อยใหญ่บ่เรือดไมมองผ่านอยู่สำรานจืน่นยาา ไข่เขตดาวปุรีนอมูนีติไวเป็นเต้าไทยเสวยเมืองเจะเรืองแผ่กว้างไผบ่ออ่างเตรียมตันเจ้าจันต่างดาวร้อยเอตเต้าขาบสมปานปัณณการลายสิ่งย่อมการยิ่งนำนาไหลหลังมาดยืนต้นบองหูพันตั้งวัน บ่คุณท่านตีไว้บ่เมียดไว้ไปนานต้าย่อตานพายแพ่บ่เว้นแหวสันได้ก็มีฮันแหลนา <c oughs> โสตสวาโรราจากันวาพญาตาสวรราชกับนางนาจนวลคำ อยู่ตามทมคำเจ้าถึงแก่เท่าจาระรากันมรณะากา็ภาคตายละจากเมืองคนก่อเอาตนไปเกิดในจันฝ้าเลอตูสีดาก็มีวันนั้นเลยนะ ศรัทธาอิมังธรรมะเตสะนังอาหาิตตวาจาตกังสามมุทานิสีศรัทธาอันวาพระสัพพัญญุตนผ่านแพวภาเป้แล้วยังหมู่ภัยมารกันไขนิทานสุดยอด เพื่อเสียงขอดสังกาจริงก่าโอสานกาธาแถมเล่าเพื่อจักจัดเกา่าเตรียมตันกัปันจุบันหือ้อแจงพระจริงแสงเตสานาะวาตาตาอรารติอตานิจินจามานาวิกาดังนี้เป็นตน้น เพกเก้าเวดูราพิกุส่งตนทารงสินไสอาดสืบเจือจัดเยียงจีอันวานางอรดีแมนาใจหยาบจ้าสามารจากกรมหารแจ้งดานสองนอลานี่ไปตาตาในกาละนันไซ คือหากมาใดนางจินจามาณวิกาอิตานิในกาลาบดี้และนาย่าคาราจาันว่าพญายักษ์กยศใหญ่คือซองแก่นไทยเฮียนมนกลางภัยสนเื่อนทอง บุญนั่นจองปามาคือมหาโมกันลาณเทราเจ้าในกาลาบดีแลนะ <c oughs> ตาปะโสส่วนรว่าเจ้าราศีตนวัดนี้บ่เศร้าจ่วยหนังนอนอนอดอเนาดวนคำ ปุญนันนำมาไยคือหากมาใดมหาสารีบุตรเถระเจ้าในกาลบัดนี้แลนาสกออันว่าพ้ายาอินเจ้าฟ้ากับเปตนาเป็นหนูลงบาจูเถื่อนทอง บอกปี่น้องสองขาไปเอาอยาวิเศษในห้องเขตนองคําบุญนั่นนํามาขไข้คือหากมาใดมหาอนุรุทธเถินในกาลบัตินี้และนะสุราเมโคอันว่าสุราเมฆกุมารนั่นใส่คือหากมาใดมหานันตะเถินในกาลบัติ น, ออ น, มมนี้นานานนนและนะ พีมะเสโนอันว่าพีมะเส น, นยายดใหญ่พี่นางนอไทยนวลคำใจมัวดำมืดบอดบ่กิดรอดอาบายหลวดได้ตายความนายนยศญาบจ้าปาลาในกาละนันไซคือหากมาใดเทวตัดในกาละบัตนี่และนะั สุริยโโราชาอันบาพระญาสุรินญาราชฤทธิ์ที่อาจเหลือคนบาปมาจนรอดไกลคือหากมาใดโกกาลิกาพิคุในกาลาบัต้และนา เศรษฐีอันว่าเศรษฐีผู้เท่าป่อแห่งเจ้าทั้งสองในกาละนันไซคือหากว่าได้พญ า, าอาจาย์ศัตรูในกาละบดีแหละนะ สุภามาลีอันวานางสุภามาลีนอนเนาแม่สองเจ้าบุญนาในกาลนันทั้คือหากมาไดนางสริมหามาัญาแม่พระตนาคตะในกาลเบติแลนาราชาธิตาอันวาราชาธิดางามอา จ, จื่อนางน้อยนาฏนวนคำมีบุญนำมากกวาง ได้ก่อสร้างเตรียมมาคือหนังยะโสทาราในกาละบดีและนาตาสวาโรสวนอันวาตาสะวาระรังกุ ม, มารสางสมปานบ่กขาดบ่อพระมาทลาสาสรนพระเจ้าไัยไต้เฮีอเตียวไต้ตั้งดีในกาลนันไส อาฮะเมวาโลกาณโทคือหากมาใดพธธาตถาคตะตนเป็นติจังติปึงแก่โลกตั้งสามในกาลตรดีและนะเสสาปริสาอันว่าเสนาอามาตพจราดนิ่งใจรีป้นลลยหน่อยไ่ อันตววไตตามทำได้ากาละนันไซคือหากมาได้ปริสัตต์ตั้งสี่คือภิกขุภิกขุนีโอปาสากาอุปาสิกาแห่งพร ะ, ะ, ะ, ะตถาตตในกาละบดีแลนะข <c oughs> ุมเหภาวันตาตันตั้งลายมวลหมู่อันนั่งอยู่รงธรรมจุงจักจำจิว้ แกกอนไก่เอาในบทนบาทใดควรขวางจุงเอาห่างดีไก่บทบาทใดควรใจจุงเอาไว้กับตนอยอมปอกหนนขึ้นสูญังติอยู่แก่หาเอาออกมาบอกเล่าแก่ลูกเต้าและลานตั้งวงวานปอแม่และเท่าแก่ตานาย บุญจักลายกว้างใหญ่มารอดได้ตัวเราเป็นดังเงาร่มจองปกหมปองบ้านพัยได้นีไก่ละภากป้่นเสียจากอาบายได้พันภายไปรอดเวียงแกอนยอดเนี้รับปานในอนาคตการไปนะพ่ อ, อย่าจังเลยนะ เนตที่ตั้งขีญาสังวันนาวนานาีเศษจะาห้องเหตุนั่งด้วนคำผูกสิบสี่หากถึงตีบัว ร, ระมวนกาละกวนเต่าอีเต่านี้กอบังกมสม็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแลว